ช่วงเวลาของความฝันหวานกําลังจะหมดล้นะต่อไปก็จะถึงเวลาของการฝันร้ายรวมแล้วฝันตลอดเพราะในโลกนี้มันไม่มีคนตื่นคนมันเลยจมอยู่ในความทุกข์นะมีความสุขเป็นภาพดวงตาหลอกๆความจริงปีใหม่มันก็ทุกข์เหมือนกันนะทุกข์ไปอีกแบบแต่มองไม่ออก ถึงปีใหม่ก็สดชื่นฝันอย่างโน้นอย่างนี้บางคนก็ได้เงินเยอะหน่อยบางคนก็เฉาเาได้น้อยหน่อยบางคนออกจากงานนะบางคนฝันดีบางคนฝันร้ายนะรวมแล้วทุกคนมันฝันอยู่ฝันร้ายจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่รู้หรอกงั้นต้องเตรียมตัวไว้อย่าประมาทสิ่งที่หลวงพ่อพยายามทำทุกวันทุกวันนะคือปลุกพวกเราให้ตื่นขึ้นมาเราตื่นขึ้นมาแล้วเราเห็นโลก ตามที่มันเป็นจริงๆโลกนี้เหมือนภาพลวงตานะเหมือนฝันฝันอยู่เลยถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ของจริงจังนนะั้เราก็ไม่ทุกข์กับมันเท่าไหร่หรอกเรารู้สึกว่าจริงจังมากก็ทุกข์มากจริงจังกับอะไรนะผูกพันกับอะไรก็ทุกข์เพราะอันนั้นแหละทุกวันนี้ทุ่มเทนะพยายามปลุกพวกเราให้ตื่นพยายามทํางาน รวมทั้งทีมงานหลวงพ่อด้วยนะหลวงพ่อคอยเตือนเรื่อยๆบอกคนเข้ามาวัดเราต้องดูนะว่าเขามาหาความพ้นทุกข์เขาอยากพ้นทุกข์น่าสงสารน่าเห็นใจนเขาพยายามเกื้อกูลให้มากที่สุดนี่บางทีก็ดูไม่ถึงหลวงพ่อทำงานอื่นเมื่อาวานนี้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นหลวงพ่อต้องขอเข้ามา กว่าจะเปิดประตูนะหกโมงยี่สิบนะจิ๊บก็สั่งเด็กไปนะว่าให้เปิดหกโมงอะไรเงี้ยเด็กมันไปเปิดตอนพระจะออกบินทบาท <c oughs> น, น่นาสงสารนะหนาวหนามาถึงวัดอยากเข้าห้องน้ำก็เข้าไม่ได้ <c oughs> ไม่น่าเห็นใจแต่จะเปิดให้เข้าเร็วกว่านั้นนั้นข้างในนี้ก็ไม่พร้อมพอเข้ามาแล้วข้างมืดมืดอยู่เนี่ยรถจอดจอดไว้คนมันมางัดได้ ก็เลยพบกันครึ่งทางมากว่าเราเปิดหกโมงนะบางวันเด็กมันก็พลาดไปเราไม่ได้ดูหลายหลายวันนะตีก็เบี้ยวเียวขี้เกียจทีม่มันคงหนาวเหมือนกันนะ <c oughs> เด็กที่นี่ตื่นมาทำงานตีห้าทำงานนะไม่ใช่ตีห้าตื่นทำงานตั้งแต่มืดให้เขาพักเที่ยงถึงบ่ายสองไปยืดชั่วโมงให้เขาตรงนั้นงียนถ้ามีอะไร เป็นจุดออนนะเสนอหลวงพ่อได้ตลอดนะบอกจิบก็ได้บอกแม่ชี้ก็ได้บอกคอรูบาอาก็ได้นะคงบอกหลวงพ่อไม่ได้หรอกห mm hmm. ลวงพ่อคงไม่มานั่งฟังการปรับทุกตีละคนนะฟังไม่ไหวหรอก mm hmm. อะไรเกือกูลได้ก็จะเกือกูนให้นะอย่างวันนี้หลวงพ่อจะแม่ยกมืออย่างเมื่อวานทดลองมาสามวันถือว่าล้มเหลวสนุกจริงนะ แต่ไรสาระจิตใจมันจะอ l ร์ทเกินไปถ้าคืนจิตใจอ l ร์ทอย่างนั้นเนี่ยนะฟังทอยังไงก็ไม่มีใครจะบรรลุมรรคผลเพิ่มขึ้นอีกสักคนหนึ่งหรอกหลวงพ่อเคยเทศเทศเทศนะฟังด้วยจิตใจที่สงบด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นอย่างนี้มีคนรู้มีคนเข้าใจธรรมะมาหลายคนแล้วในขณะที่ฟังนี่แหละ แต่ถ้าแข่งกนยกมือ๊ไม่ไหวไม่ได้กินหรอกสนุกมันเหมือนเกมโชว์กันไปงั้นวันนี้เลิกแล้วไม่เอาละทดลองเราล้มเหลวท่องพยายามนะทํายังไงคิดอยู่ทุกวันเลยทําไงจะช่วยพวกเราให้ได้มากที่สุดจะเกือก่อนเกลนให้ได้มากที่สุดนะทำยังไงจะทั่วถึงใจจริงหลวงพ่อนะอยากจะให้คนซึ่งมีปัญหาจริงๆทาได้มีโอกาสถามนะ จะคนใหม่คนเก่าคนจนคนรวยคนสวยหรือคนน่าเกลียดนะถ้ามีความจําเป็นต้องถามธรรมะอยากให้ได้ถามทุกคนะ่ะก็ไม่รู้จะทํำยังไงมันจะได้ทั่วถึงแล้วก็เสมอภาคจริงๆแล้วก็เป็นธรรมแต่ไม่ใช่เสมอภาคหมายถึงว่าทุกคนได้เฉลี่ยกันถามไม่ใช่อันนั้นมันเสมอภาคหลอกๆอย่างโลกนะเสมอภาคของธรรมะก็คือใครจําเป็นนะใครจําเป็นะ ถ้าไม่ได้ถามแล้วการภาวนามันติดขัดเลยว่ามันย่ําแย่หลวงพ่อเลยไม่รู้จะทํำยัำยงไงนะใครคิดวิธีอะไรได้ให้เสนอได้นะนี่ของเราใจกว้างได้เสนอแนะได้ตอนนี้หลวงพ่อจะไปใช้วิธีอย่างเก่าก่อนให้ยกมือแล้วหลวงพ่อดูเองไม่จําเป็นว่ายกเร็วแล้วหลวงพ่อจะเรียกยในกลุ่มที่ยกมือหลวงพ่อจะดูว่าใครจําเป็นนะ ต่อไปนี้จะใจแข็งแล้วนะที่ผ่านมาหลวงพ่อก็สงสารนะบางคนมานานแล้วรู้สึกชั้นเป็นคนวงในความจริงไม่มีหรอกคนวงในพอหมดเวลาก็ออกนอกวัดทุกคนเลยบางคนนะก็ถ้าหลวงพ่อไม่ถามนะน้อยอกน้อยใจนหลวงพ่อไม่คุยด้วยก็น้อยใจหลวงพ่อเรียกชื่อผิดแนะล้วร้องไห้เลยเนี่ย น้อยไหน่อยอย่าทำตามใจกิเลสให้มากนักนะเรามาที่นี่มาเพื่อจะมาหาทางขุดลากถอนโคนกิเลสไม่ใช่มาแย่งกันเป็นเจ้าของหลวงพ่อไม่มีใครเป็นเจ้าของหลวงพ่อนะแล้วก็ไม่ต้องมาปราบปลื้มหลวงพ่อนะประเภทมานั่งตาลอยปรื้มเคลิ้ม ต้องพยายามให้มันรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่มาศรัทธานําหน้าจนงมไงนะลูกศิษย์หลวงพ่อต้องเหมือนหลวงพ่อนะหลวงพ่อเป็นคนซึ่งใจแข็งดูนุ่มๆ น, นะแต่ดุฉมัดเลยหลวงพ่อไม่เคยต้องการให้ครูบาอาจารย์มาโอหลวงพ่อหลวงพ่อไปกราบครูบาอาจารย์ไปศึกษาธรรมะนะฉันคุณหน้าคุณตา ยังไม่เคยบอกท่านเลยว่าชื่ออะไรท่านไม่รู้ชื่อหรอกบางองค์ทีท่านก็เรียกกุ้นบางองค์บางท่านบางองค์ท่านก็เรียกโยมบางท่านท่านก็เรียกผู้รู้ผู้รู้มีอยู่ท่านหนึ่งที่ไม่เคยบอกชื่อนะแต่ท่านรู้คือท่านจันบุญจันเคยเรียนกับท่านแบบตรงๆเนี่ยครั้งเดียวเอง เราก็เคยฟังท่านเทศเวลามีคนเยอะๆนะมาวัดโน้นวัดนี้ท่านเปนเทศไปไปฟังบ้างไม่เคยบอกท่านนะแล้วท่านเรียกตัวไปให้พระมาเรียกตัวเราไปสอนสอนสอนเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่เจอท่านนานนะตอนก่อนจะบวชเนี่ยท่านมรณภาพดังตรินนะเป็นคนขับรถพาหลวงพ่อไปเผาศพท่านนะเสร็จแล้ว พอบวชได้สามพรรษามีคนมาจากเชียงใหม่กลุ่มเบลเลอร์เลยถามว่าใครแนะนําให้มาบอกท่านอาจารย์บุญจันทร์สั่งให้มาเราก็ถามบุญจันทร์ไหนบุญจันทร์ที่เรารู้จักนะั้นเราเผาไปแล้ว <c oughs> บอกบุญจันทร์องค์นั้นแหละจันททวโรโัทำผาพึ่งเฮ้ยท่านสั่งได้ยังไงบอกไม่รู้ละท่านสั่งมาสิบกว่าปีแล้ะ ว, ว่าเดือนนี้เดือนนี้ปีนี้ปีนี้นะให้ไปหาพระชื่อนี้ชื่อนี้ อยู่ตรงสวนโพที่เมืองการตรงนี้ตรงนี้บอกละเอียดเลยลูกศิษย์ลูกหาท่านก็มานี่มีองค์เดียวแหละที่ท่านรู้ชื่อนะทั้นที่เราไม่ได้บอกท่านท่านรู้ของท่านเองนั่นเป็นเรื่องความสามารถพิเศษสรุปก็คือหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ไม่เคยเรียกร้องกับครูบาอาจารย์เลยว่าท่านต้องจําผมได้นะท่านต้องรู้จักชื่อนะท่านต้องโอ้ผมเป็นพิเศษนะไม่มีเลยนะ เราไปแบบไม่มีเขี้ยวไม่มีเล็บนะไปแบบใจที่อ่อนโยนออนน้อมจริงๆไม่ได้กางเขี้ยวกางเล็บไปใส่บางคนไปอย่างนั้นจริงอาจารย์มั่นท่านถึงเคยบอกแนละ้วอวดเขี้ยวคือหมาหวดงาคือช้างคือเป็นภาษาอียิปตนะแต่ว่าเหมือนหวดเขี้ยวเหมือนหมาอวดงาเหมือนช้างกางเขี้ยวกางเล็บมหาครูบาอาจารย์หลวงพ่อไปได้ใจที่อ่อนโยนนะใจที่ปรารถนาธรรมะจริงๆ ไปถึงอย่างครูบาอาจารย์บางองค์ท่านสั่งไว้เลยว่าถ้าไปถึงท่านนะเข้าไปถึงท่านที่ท่านสั่งนะให้พระไปจัด ก, กุฏิพระให้อย่างหลวงปู่เทศมีครั้งหนึ่งนะท่านไปทํามณฑปใหม่กุฏิเก่ายังไม่รื้ออยู่ติดกับมณฑปท่านให้หลวงพ่อไปอยู่กุฏิเก่าท่านเสียวแทบตายเลยเห็นท่านทั้งคืนมนะันมองเห็นกันท่านไม่ค่อจะนอนเลยนี่บางครั้งนะ คนก็นเยอะขึ้นท่านก็ดูแลไม่ไหวท่านก็สั่งพระอุปัฏฐากบอกให้ไปหากุญแจพระนะกุญแจกุฏิให้ไปอยู่ในปา่าทางโซนป่าลึกที่สุดเลยนะ<ม>ให้เราไปภาวนาพระอุปัฏฐากท่านเกิดไม่ว่างเขาบอกหลวงพ่อให้ไปบอกพระเวนเป็นคนคุมกุญแจบอกเอาโยมไปบอกท่านเองนะว่าหลวงปู่ให้เอากุญแจพระกุฏพระไป ไปบอกท่านนะท่านบอกไม่ต้องหรอกไปนอนกุฏิรวมนั่นก็ได้ทำไมจะต้องไปอยู่กุฏิพระก็รู้เอ้ยนี่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์รู้ดีไม่ดีถูกไล่ออกจากวัดนะขัดคําสั่งครูบาอาจารย์เราไม่พูดสักคำนะเราเงียบๆล้วก็ไปอยู่กุฏิรวมนะแป๊บเดียวเนะี่พวกรถทัวมาสมัยโน้นก็มีพวกเรื่องอรหัน์ทัวเขาลือกันว่าพระอารหันอยู่ที่ไหนก็จัดรถทัวไปวันละเก้าวัด ไปแน่นไปหมดเลยนะโอ้เมาเกินมานะเหม็นหึงมาเลยน้ําท่าก็ไม่อาบนะเมาแปแปละแปละมาเราโอ้อยู่ด้วยไม่ไหวเขาไปอยู่ตามใต้ต้นไม้อนะไรเงี้ยกลางคืนฝนตกนะั้นหนีไปอยู่ใต้ถุนกุติกุติคนอื่นนะไม่ให้กุติขี้เมาเดี๋ยวมันฉี่ลงมาไว้ใจไม่ได้หรอกไปนอนแย่งกับหมานอนก็ทํามาแล้วนะไม่เคยอ้าปากบอกครูบาอาจารย์สักคำเลย เราจะเอาธรรมะเราไม่ได้เอาความสุขสบายเราไม่ได้เอา้ชื่อเสียงว่าฉันเป็นคนดังฉันเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดฉันภาวนาเก่งหลวงพ่อไม่ดังหรอกนะไม่มีใครรู้จักหรอกอาศัยว่าเราภาวนาครูบาอาจารย์ก็เมตตาคราวหนึ่งไปหินหมักเป้นเงนะเข้าไปถึงก็ถึงเวลาเขาสวดมนต์กัน พวกคุณหญิงคุณนายเขาไปวัดนะก็เอาคนใช้ไปได้วยระหว่างเรานั่งสวดมนต์เย่งๆนั่งคนใช้มันตักกับข้าวเกลี้ยงเลยตักข้าวข้าวนี่ขูดหม้อเลยไม่มีเหลือเลยนะพวกเขาก็ถ้าทางเขาก็ดีนะก็สวดกันเป็นแถวเลยก็สวดได้นะระหว่างพระฉันข้าวยมสวดมนต์สวดเสร็จลงมาแนละ้วไม่เหลืออะเลยละ คล้ายๆสัมนวนหลวงปู่โดนนะว่างสว่างบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเอาแล้ววันนี้ไม่มีอะไรจะกินนะนะไม่มีกินก็ไม่กินนะดูซิเราจะอยู่สามสี่วันสี่คืนไม่มีอะไรจะกินก็ให้มันรู้แปะเดินกลับขึ้นมาในสาลาน่าจะมาภาวนาไม่มีข้าวจะกินหลวงปู่ท่านกวักมือเรียกเลยกวักมือเรียกนะท่านส่งบาทของท่านมาให้นะ โอ้าวันนี้ไม่อดละพอเราล้บบาบ่าดมาว่างนะเราจะกินต่อนะ <c oughs> มือวิเศษเห็นนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ของดีของดนะีเอาไปเนี่ยสารพัดเลยนะเวลาเราอยู่ในวัดนะทีก็ทศกันกลุมภกันนะมีหลายตระกูลมีนานานชนิดนะกระทบกระทั่งกันเยอะ ถ้าเราตั้งใจอย่างเดียวว่าเราจะไปเอาธรรมะเนี่ยเรื่องอื่นไม่สําคัญหรอกมันเป็นการฝึกตัวเองฝึกตัวเองให้แข็งแรงไม่ใช่ฝึกตัวเองให้ขี้อ้อนไม่ใช่ฝึกตัวเองเพื่อเสริมอัตตาให้มากขึ้นมากขึ้นยนะันเวลาเรามานะมันกระทบกระทั่งธรรมดานะจะกินข้าวก็แย่งกันรู้สึกไหมจะเข้าห้องน้ําก็แย่งกันงั้วเราดูใจของเรานะ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการปฏิบัติทั้งสิ้นนะทุกอิริยาบถ ท, ทุกความเคลื่อนไหวทุกการกะระทำนะเป็นเรื่องของการปฏิบัติล้วนๆเลยถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ในะทุกๆอิริยาบถ ท, ทุกๆการกะระทำนะมากฝันนิพพานจะมาถึงเราอย่างรวดเร็วเลยนะนั้นเราอย่าประมาทประมาตก็คือว่าเราเห็นว่ากิเลสเล็กกิเลน้อยไม่สาคัญนะ ประมาทว่ากุศลเล็กๆน้อยๆก็ไม่สําคัญถ้าเราไม่ประมาทนะกิเลสมันก็ค่อยๆลดไปกุศลมันก็จะเฉลิบขึ้นอย่างกิเลสเล็กน้อยท่นจะแย่งกันกินข้าวก็โมโหแล้วนจะขับรถก็แย่งกันทำอะไรก็แย่งกันจะยกมือก็แย่งกันนะทุกอย่างแย่งกันหมดเครียดคอยเรียนรู้ตัวเองนะกิเลสเล็กๆน้อยๆอ ย, อย่าปล่อยไว้ หรือบางคนแค่กังวลใจใช่มันมีความกังวลแฝงอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะ้วก็ไม่รู้ไม่ยอมไปดูมันมัวตะลุยอยู่กับโลกภายนอกเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ถึงโทสะใหญ่ๆไม่เป็นไรกิเลสเล็กๆไม่เป็นไรกิเลสเล็กๆน้อยๆก็ไว้ใจไม่ได้วันหนึ่งมันก็โตได้กุศลเล็กๆน้อยๆก็อย่าประมาททำได้ก็ทำไปกิเลสนะมันก็ดึงกิเลสนะกุศลมันก็ดึงกุศลมา อย่างถ้าเรามีกิเลสใช่ไหมพระพุทธเจ้าเคยสอนพระราหุลพระราหุลมาบวชอายุเจ็ดขวบเองชอบพูดเล่นพระราหุลเป็นเด็กร่าเริงนะชอบคุยเล่นคุยแล้วก็อําอําอําพระองค์โน้นอําพระองค์นี้ไปนะไม่ได้เจตนาร้ายเจตนาจะเล่นพระพุทธเจ้าเรียกตัวมาเตือนนะบอกพระราหุล การพูดอะไรต่างๆเนี่ยนะพูดเล่นพูดขนองอะไรเนี่ยมันเป็นอกุศลเป็นมุสาวาสนะมุสาวาสเล็กๆน้อยๆตอนนี้เราทํากิจอกุศลเล็กๆกันพอเราคุ้นเคยกับอกุศลเล็กๆต่อไปเราก็ทําอกุศลใหญ่ๆได้ดูในในบ้านเราก็จะมีคนไหนที่แต่งงานนานๆแล้วจะพบอย่างตอนเราไปจีบสาวสักคนนะเรียบร้อยนะไม่ค่อยพูดนะเอ พออยู่กันหลายปีถ้าไม่มันพูดมากกันนะเช่นพวกผู้ชายแอบเป็นอินทาภรรยากันเยอะเลยนะพูดมากกินจุดูยังกระหมานะแต่เนี่ยพวกไม่ดูตัวเองถ้าภรรยาไม่อบรมสั่งสอนคงไม่ได้ดีขนาดนัน้นหะร <laughs> อกโบราณเขาบอกภรรยาเหมือนแมนะ่ทำไมผู้หญิงแก่ๆ แ, แล้วชอบขี้บน่นทำสาวๆไม่ค่อยบน่นใช่ไหม อยู่บ้านรับผิดชอบผู้หญิงไทยรับผิดชอบสูงนะผู้ชายไทยความรับผิดชอบต่ํามากต่ํามากเลยอันนี้เป็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์อย่างสมัยอยุธยาเนี้ยผู้ชายอายุ18ขึ้นถึงหกต้องไปรับราชการไปรับใช้เจ้าไหนเดือนเว้นเดือนกลับบ้านมาเดือนหนึ่งไปทํางานให้นายเดือนหนึ่งอย่างนี้ตลอดเดือนที่จะกลับบ้านนะ ต้องอตังไปจ่ายแล้จะได้เรียกว่าตราภูมิคุ้มห้ามวาไอคนนี้จ่ายตังแล้วกลับบ้านได้งั้นรวมความนะผู้หญิงแหละต้องหาเงินไปจ่ายเพราะผู้ชายมันไม่ได้ทํางานยำเงินที่ไหนไปจ่ายพอผู้ชายได้กลับบ้านโอ้ไปรับราชการมาเหนื่อยกลับบ้านต้องพักผ่อนกัดปลาตีไก่ <laughs> ผู้หญิงก็ทํางานไปสิผู้ชายก็ลอยชายเล่นไม่รับผิดชอบอะไร ถึงเวลาก็ไปรับราชการนะหลบได้ก็ห ล, ลบเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะนี่นิสัยอย่างเนี้ยพอกพูนมาในประวัติศาสตร์ไทยผู้หญิงความรับผิดชอบจะสูงในี่พ่อผู้หญิงต้องรับผิดชอบมากใช่ไหมเห็นไหม น, นี่มีปัญหาก็บอกบอกครั้งแรกไม่ฟังก็บอกสองครั้งบอกสามครั้งในที่สุดก็บอกตลอดเวลาเลยนะมีลูกมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมสุดท้ายติดนิสัยขี้บน่น มันสะสมนะเนี่ยอกูสัเล็กๆนะแค่ลาคาญใจอยากะบ่นก็บ่นบ่นไปได้เลยสุดขี้บ่นแต่ขี้บ่นอย่างนี้ก็ดีไม่เป็นโรคจิตถ้าเงียบลูกเดียวเดี๋ยวเป็นโรคจิตงั้นอยากบ่นก็บ่นไปนะแต่มีสติรู้ทันว่าอยากบ่นเนี่หลวงพ่อไม่ได้ห้ามนะให้กําลังใจผู้หญิงขนาดนี้กลัวเป็นบ้าไปหมดไอ้กิเลสนะเริ่มต้นจากเล็กๆกันแล้วมันจะค่อยโตขึ้นโตขึ้น ทีแรกก็ยิงนกก่อนนะเด็กๆชอบถือหนังสติกนะ่ะไปยิงนกยิงจิง้งจกยิงอะไรยิงเจออะไรก็ยิงเป็นหมดอนะ่นะต่อไปก็ทำบาปที่แรงขึ้นได้คุ้นเคยที่จะทำนะคุ้นเคยที่จะทำงั้นอาุสลเล็กน้อยเราก็อย่าประมาทนะอาคุสุลเล็กๆอาคุสลใหญ่นะั้นมันมาจากอาคุสลเล็กเท่งนั้นแหละอย่างก่อนจะฆ่าคนตายใช่ไหมต้องขัดใจก่อน มันทะเลาะกับเรามันว่าเราเรื่อยๆวันแรกเราก็เฉยๆนะมันว่าเรามาอาทิตย์หนึ่งเราชักลำขาดนะเห็นไหมโทสะเกิดแล้วเราก็ไม่ได้ดูยิ่งสนใจใหญ่เฮ้ยนี่ทําไมมันหาเรื่องเราว่ะยิ่งสนใจก็ยิ่งไปฟังมันด่ามากขึ้นมากขึ้นนะในที่สุดโทสะก็เกิดสุดท้ายข่ามันตายเห็นไหมจุดเล็กๆแค่ความหงุดหงิดกลาเป็นโทสะร้ายแรง<ๆ>เคยมักง่ายหยิบฉวยอะไรของคนอื่นง่ายนะั้นก็จะหยิบมือไวขึ้นเรื่อยๆนะ เคชินที่จะใจลอยยิ่งแก่ยิ่งใจลอยเห็นไหมคนแก่หลายคนหลงรู้สึกไหมคนแก่หลายคนแล้วหลงหลงหลงไปทําไมครูบาอาจารย์แก่เท่าไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเคยมีสติฝึกให้มีสติมก็จะมีสติคนฝึกที่จะหลงมันก็หลงก็สิมันหลงโลกมาทั้งวันแล้วเนี่ยหลงไปเรื่อยสะสมแต่ความหลงนะคนแก่แก่ก็หลงเยอะสะสมเคยชิน งันปีใหม่แล้วนะเราสํารวจตัวเองอากุศลเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้เอาไว้อย่าประมาทมันอาจจะกลายเป็นอากุศลใหญ่ได้ในขณะเดียวกุศล น, นะแม้แต่เล็กน้อยก็พึงทํากุศลใหญ่ๆก็มาจากกุศลเล็กๆนิดๆนะนะอย่างคนเราเภาวนาไปเพื่ออะไรเพื่อลดละความยึดถือในตัวเองนะทีแรกก็ลดความยึดถือตัวเองต่อไปก็ละความยึดถือตัวเองนี่ภาวนาเพื่อมาตรงนี้ เมื่อหมดความยึดถือตัวเองแลหมดความทุกข์แต่ก่อนมันจะลดละความยึดถือตัวเองได้มันก็สร้างคุณงามความดีนานาชนิดคุณงามความดีนั้นมันมีอยู่สองอย่างเป็นคุณงามความดีเพื่อจะอยู่กับโลกอย่างมีความสุขความสบายอย่างหนึง่งคุณงามความดีเพื่อลดละอัตตาตัวตนนี่อีกอย่างหนึง่งอย่างเราทําบุญใส่บาตรนะหวังว่าชาติหน้าเราจะได้มีอยู่มีกินอะไรอย่างนี้นอันนี้ทําเพื่อจะอยู่กับโลกทําเพื่อสืบพบสืบชาติ แต่ถ้าทําเพื่อละกิเลสสมมติว่าเราต้องตื่นแต่เช้าเลยเห็นไหมเราขี้เกียจตื่นหนาวๆาเงี้ยต้องตื่นมาใส่บาตรเนี่ยขี้เกียจตื่นเราเห็นความขี้เกียจเลยนะแล้วไม่ยอมแพ้มันนะลุกขึ้นมาสู้ความขี้เกียจเห็นไหมตอนแรกๆยังไม่ได้มีคุณธรรมถึงขั้นวิปัสสนาข่มใจก่อนมันขี้เกียจลุกขึ้นมาใส่บาตรลุกขึ้นมาใส่ใส่บาตรแล้วก็มีปัญญารู้นะเราใส่เนี่ยเพื่อคลายความเห็นแก่ตัวลง เพื่อเราไปช่วยคนอื่นนะไม่ใช่ช่วยเพื่อจะมาลดภาษีอย่างเดียวหรอกลนดะภาษีเป็นผลปลออยได้หลวงพ่อเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะไปทาบุญที่วัดแล้วก็เจรจากับพระนะสมมุติว่าทําแสนหนึ่งพระต้องลงล้านหนึ่งนะเราไปลดหย่อนภาษีได้เกินแสนนี่เป็นการทําธุรกิจนะไม่ใช่ทาบุญอย่างนี้ไม่ได้บุญเลยอย่างนี้ได้บาปเพราะไปโกง โกงภาษีโกงภาษีเนี่ยถ้าพระโกงภาษีประราชิกเลยนะอย่างพระออกไปต่างประเทศมีสิทธิ์ค้าต้องห้ามเดินผ่านด่านพะผ่านด่านปุ๊บประราชิกเลย <Yeah. S 2> ต้องแสดงต้องแสดงหลวงพ่อเลยใช้วิธีสบายหลวงพ่อไม่ซื้ออะไรเลยซื้อเวลาเดินผ่านด่านนะก็เดินตัวเปล่าๆปล่านะนาฬิกายังไม่มีเลยเดินนะัเครื่องมันไม่เคยร้องเลยเดินเข้าเดินออกเราไม่เคยถูกเรียกเลยเราไม่มีสย่ง เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเผลอแต่ถ้าเผลอก็ไม่ปรารชิกนะต้องเจตนาอย่างเราทําทานนะเราทำํำนะเราหัดนะเราหัดค่อยๆฝึกกุศลที่มันลดละกิเลสใครดนะูอย่าทํากุศลที่เพิ่มอัตตาตัวตนนะเราสังเกตไปอย่างเราช่วยคนใช่หไหมเราช่วยเพราะอยากได้หน้าหรือเราช่วยเพราะเมตตาไม่เหมือนกันนะเราเปิดวัดเนี่ย เพื่อหลอกให้คนมาแล้วเราจะเก็บสตังค์จะเรียอะไรโน่นเรียอะไรนี่หลวงพ่ออยากได้โน่นได้นี่หรือเราทําพราะเราอยากจะให้ในนี้เต็มไปด้วยคนให้นะคนเอาสตังค์มาให้หลวงพ่อเราก็ไปพิมพ์หนังสือให้โยมบ้างเอาของมาให้เราเยอะแยะเราก็ส่งไปช่วยทางอีสานทางอีสานเนี่ยหลวงพ่อส่งไปที่สุรินนะมีของปีหนึ่งสองสามล้านแค่เนี้ ส่งไปทางสุรินทร์ทางนั้นจนจริงๆเลยไม่มีจริงๆจนถึงขนาดเคยมีพระหลวงพ่อกิ ม, มหลวงพ่อกิมไม่สบายมากนะมาอยู่ศิริราชเนะี่ยทั้งวัดน่ยไม่มีเงินจ่ายไม่รู้ว่าพระไม่ต้องจ่ายนะถึงเวลาโรงพยาบาลก็ส่งบินมาแล้วไม่บอกหรอกว่าไปขอสังคมสงเคราะห์ได้ทางวัดก็หหาเงินกันนะพระเนรเทนชีในวัดมีเท่าไหร่ขนมาหมดเลยนะหมดเนื้อหมดตัว อาหารการกินในวัดไม่เหลือเลยกินข้าวกับเกลือกินข้าวกับพริกปน่นอะไราเงี้ยโอ้ลำบากทางนั้นลาบากลําบากจริงๆเลยหลวงพ่อได้มาหลวงพ่อก็ส่งไป ช, ไช่วยงั้นะถ้าเราทำนะเราไม่ได้ทําเพื่อเซิร์ฟของเรานะเราเราทำเพื่อเพื่อคนอื่นไม่ได้เอาตัวเองเป็นตัวตั้งนะลองทำตัวเองแบบนี้บ้างนะฝึกตัวเองอย่างนี้บ้าง เาเอาคนอื่นเป็นตัวตั้งอย่าเอาตัวเองเป็นตัวตั้งอันนี้มันเป็นวิธีฝึกที่จะลดละความเป็นตัวตนพื้นพื้นกับพื้นพื้นแค่อยู่ในบ้านกันพัวเมียทำํำไมตีกันพัวเมียตีกันเพราะว่าเอาตัวเองเป็นตัวตั้งแต่ถ้าเอาอีกฝั่งหนึ่งเป็นตัวตั้งจะเข้าใจกันมากขึ้นจะเข้าใจกันได้เยอะขึ้น นี่ถ้าพอเราในชีวิตประจํำวันนี่นะเราก็ทําความดีนะแล้วค่อยๆสังเกตใจนะทำเพื่อจะลดเซลล์นะลดเซลล์มีศีลก็เพื่อลดเซลล์นะฝึกภาวนาก็เพื่อจะลดเซลล์โนดะยเฉพาะการทำวิปนะัสสนาเนี่ยมุ่งลดเซลล์โดยตรงเลยค่อยๆสังเกตใจเรากายเป็นทํางานใจมันทํางานดูมันทํางานไปเรื่อยๆ วันหนึ่งจะเห็นว่าไม่มีเราทํางานแล้วเราฉลาดขึ้นนะสะติปัญญาว่องไวขึ้นเราจะเห็นว่าไม่ว่าทําอะไรนะมันทําเพื่อเซลล์เหมือนครูบาที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังแค่ทิ้งขยะนะยั ง, ท, งทิ้งเพื่ออวดเซลล์ไอเหลืองก็เป็นนะอย่างท้ายเหลืองเดินมาแล้วทุกคนเฉยๆนะเหลืองน้อยถ้าเดินมาแล้วเหลืองอยืดขึ้นนี่เหลืองเหลือง <laughs> เหลืองนี่ใหญ่ครับฟ้าละ อย่างพวกที่มาวัดแล้วอยากให้หลวงพ่อรู้จักนะก็เซลลนึกออกไหมก็เซลแ ม, แม่ว่าทำอะไรนะมันสนองเซลล์ทางนั้นเองให้มีสติมีปัญญารู้ทันนะรู้ทันมันเข้าไปมันจะคลายออกเองเมื่อวานเมื่อวานมีพระองค์หนึ่งลูกศิษย์ท่านจันแบนศิษย์ท่านจันแบนมาท่านก่อนหน้านี้ท่านมาที่แล้วท่านถามหลวงพ่อบอกผมควรจะดูอะไรดี หลวงพ่อก็เฉาะท่านตรงๆเลยนะท่านไปดูมาหน้าตานะท่านเซลจัดจังเลยให้ท่านไปดูตัวนี้นะท่านกลับไปอยู่กับครูบาอาจารย์นะท่านก็เห็นตอนนี้เมื่อวานท่านมาท่านมาเล่าไม่ว่าทําอะไรนะมันมีกูซ่อนอยู่ทั้งนั้นเลยท่านมาโอ้ยมาไหว้แล้วไหว้อีกกลับแล้วกลับอีกนะมาขอบคุณหลวงพ่อนะมาพาท่านให้เห็นกิเลสที่ผ่านมานะกระทั่งภาวนาก็ภาวนาเพื่อเซล ภาวนานแล้วครูบาอาจารย์ชมเราเราจะได้เท่มันไม่รู้สึกตัวนี่ตอนหลังท่านจันแบงก็ชมตรงนีช้ชักจะชมละนี่เราสังเกตนะสังเกตไปใจเราเนี่ยไม่ว่าทำอะไรนะมันจะมีเรามีเราแฝงอยู่เรื่อยๆถ้าดูถึงตอนนี้นะี่ใจจะคลายออกจะโปร่งโล่งเบาสบายขึ้นมานะโล่งขึ้นมาถึงวันหนึ่งมันจะวางวันใดที่วางความเป็นตัวเรา คือวางกายวางใจได้เราจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงกายกับใจนี่แหละคือตัวทุกข์เั้นเห็นไหมเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆ น, นะเช่นทําบุญใส่บาตรถือศีลอะไรเงี้ยถือศีลน่นะเขาดา่าอยากจะชกเขาแล้วเห็นใจที่อยากเนยข่มใจไว้ไม่ชกเขาจนถึงขั้นมาจเจริญสตนะิรู้ทันการทํางานของจิตใจเห็นได้มันปรุงแต่เซลล์มันสร้างแต่เซลล์มันจะเซิฟแต่เซลล์นะ เอดีนะเดี๋ยวต้องพูดภาษาไทยคือไม่ว่าทําอะไรก็ส่งเสริมอัตลาตัวตนมันก็ภาษาแขกอีกนะ้ะรู้จักภาษาไทยส่งเสริมความเป็นตัวกูของกูต้องแบบนี้นะ้อท่านพุทธทาสท่านเก่งอะไรอะไรก็กูทั้งนั้นเลยกูซ่อนอยู่ข้างหลังทั้งนั้นเลยนั้เราดูนะวันหนึ่งเราจะพ้นรุดออกมาได้จะมีความสุขมีความสุขจริงๆนะทั้งหลับทั้งตื่นเลยนะพอตื่นขึ้นมาเนะี่ยเราจะรู้สึกเลยปุ๊บ การที่หลับอยู่เนี่ยจิตก็ไม่ได้ไปเกาะอะไรเลยโดยที่เราไม่ได้รักษาเลยการตื่นอยู่นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจิตก็ไม่ก่ออะไรเลยจิตมัไม่ไปก่อให้เกี่ยวอะไรเลยจิตมันไม่ไปก่ออะไรหรอกจิตกับธรรมชาติมันเป็นเนื้อเดียวกันจิตกับธรรมไม่รันเนื้อเดียวกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันเพราะจิตนั้นก็เป็นองค์ธรรมอันนึงธรรมคือนิพพานก็เป็นองค์ธรรมอีกอันหนึงโคร้านกันแต่จิตกับธรรมมันเป็นเนื้อเดียวกันเลย ค่อฝึกนะเรากุศลใหญ่ๆก็เกิดจากกุศลเล็กๆอากุศลใหญ่ๆก็เกิดจากอากุศลเล็กๆมีสติรู้ทันใจเราอากุศลเล็กๆเกิดก็รู้ทันมันก็จะไม่มีอากุศลใหญ่กุศลได้ได้เกิดขึ้นเราก็มีสติรู้ทันนั้นกุศลก็จะพัฒนาขึ้นไปงั้นเรามีสติไว้นี่แหละเรียกว่าเราทําความเพียรอยู่ตลอดเวลาพระทันทีที่มีสตินะอกุศลที่มีอยู่ก็ดับอากุศลใหม่ก็ไม่เกิด ทันทีที่มีสตินั่งกุศลก็เกิดขึ้นแล้ะตัวสติเป็นตัวกุศลแ้วกุศลจะเกิดมากขึ้นมากขึ้นไบขึ้นไบขึ้นเกุศลตัวโตขึ้นอย่างเราหัสทีแรกนั้นนานๆรู้ตัวได้แวบหนึ่งใช่ไหมหัดไปหัดมาเหมือนรู้ได้ทั้งวันน่ะทีแรกก็จงใจรู้ใช่ไหมหัดไปหัดมาไม่ต้องจงใจมันก็รู้หลวงพ่อเคยเป็นนะมีช่วงหนึ่งยังไม่ได้บวชหรอกเห็นจิตมันไหวยับแยบยับแยบอยู่เห็นมันไหวอย่างเนี้ย ถ้าจะดีให้ดูไปเรื่อยๆคงจะเป็นพระอรหันต์ดูเรื่อยเลยปรากนว่าสติทำงานอัตโนมัติมันดูทั้งวันดูทั้งคืนดูไม่เลิกดูไม่พักดูอยู่เดือนกว่านะเหนื่อยจนแทบขาดใจตายเลยเหนื่อยเหนื่อยนะไม่รู้จะทำยังไงแล้วบอกมันพ่อคุณเอ้ยเลิกดูสักวันเถอะอย่าดูสักวันนึงได้ไหมมันไม่ยอมเลิกเห็นไหมเนีย่ยสติพอมันทางานแก่ เต็มที่ขึ้นมานะมันไม่ยอมหยุดนาะวิ่งไปหาหลวงพ่อพุธนะวันบูรพาจารย์คนเต็มวัดเลยท่านทิ้งคนเลยนะคนเต็มศาลาพระเต็มศาลาท่านทิ้งเลยท่านพยายามมาแก้ให้หลวงพ่อเทศอยู่ร่วมชั่วโมงเลยแก้ไม่ตกแเราเหนื่อยเลือกินในสุดต้องบอกท่านว่าหลวงพ่อไ ป, ไ, ปไปเทศคนอื่นออกไปนะผมไปแล้วเสียเวลาท่านมากนะทำมาเขียนจดหมายไปถามอาจารย์มหาบวชนะท่านก็ตอบมา บอกว่าเราเพิ่งทําตาใหม่ไผ่าต้อเอาหนังสือไปอ่านเองให้ทําเตรียมพร้อมมาเล่มหนึ่งมาเปิดปุ๊บเจอหน้าเนี้ยหน้าที่จิตมันใยยิบยับยท่านก็บอกมันใยยิบยับให้รู้เราก็รู้จนเราเหนื่อยเต็มทีแล้วนะมันไม่รู้จะทำยังไงอีกต่อไปแล้วอีกวันหนึ่งนะตื่นขึ้นมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเพราะมันดูทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดเลยไปถึงป้าเลิอดเมเวันนี้ไม่เอาแล้วไม่รู้จะทํายังไงละ ทำสมถะเล่นอีกว่าหายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งนับสองนะนับไปถึง28นะจิตรวมปุ๊บเลยพอรวมลงไปพอถอยออกมานะจิตกระทบความไหวๆขาดสะบั้นตรงนั้นไม่ใช่มากผลนะไม่ใช่มากผลนะเพียงแต่ว่าจิตมารู้จักเบรกตัวเองแล้วทีแรกมันตะลุมบอลในการเจริญปัญญาไม่ยอมพักนะพอเราไปทำความสงบเข้าพอมันถอยขึ้นมาพอมันมากระทบปุ๊บมันพักนะมันจะพัก ใจเรารู้สึกเหมือนเป็นลองวิกเอ็ดเลยวันนะั้นสดชื่นเลยรู้เลยว่าเจริญปัญญานะก็อย่าทิ้งสมถะนะ<ม>ถึงจุดหนึ่งนะสมถะเป็นที่พักเป็นที่เบรกนะถ้าไม่มีเลยเนีย่ลำบากแต่ถ้าคนทําไม่เป็นก็ว่ากันใหม่นะถ้าทําเป็นมันก็ทิ้งไม่ได้หรอกแต่ไม่ใช่ทําสมถะจนซึมเสื่องซึมใช้ไม่ได้เหมือนกันการทำมโนนะเริ่มต้นก็สํารวจใจของเราอคุศลเล็กน้อย ก็อย่าปล่อยให้มันค้างคาให้รู้ทันไม่ใช่ให้ละนะให้รู้ทันแล้วก็มีสติไปเรื่อยกุศลทั้งหลายจะเกิดขึ้นเองเพราะเรามีสตินะเราจะเกิดฮิริโอตัปปะเราอายบาปเกรงกลัวผลของบาปนะเราจะเกิดศีลขึ้นมาก็เราอายบาปแล้วเนี่ยเกรงกลัวผลของบาปแล้วมันก็มีศีลสิเห็นไหมเรามีศีล น, นะใจของเราก็จะสงบใจของเราจะตั้งมั่นสมาธิก็เกิดสมาธิเกิดแล้วเราก็รู้กายรู้ใจไปนะ ด้วยจิตใจที่สงบตั้งมั่นก็จะเกิดปัญญาเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เรานะเพอมีปัญญาแล้วต่อไปก็จะเกิดวิมุตติมันจะปล่อยวางกายปล่อยวางใจแม้เริ่มต้นจะมีสติรู้น่กุศลเล็กๆ เ, เ, เนี่ยทีละขณะทีละขณะ เ, เชิญไปทานข้าววันนี้เทศติดพันนี่หมดเลยครับนี่หมด